ขอนอบน้อมพระตนาตัยอขอกราบพระอาจารย์เผยสารครูบาอาจารย์ทุกรูปเลอดจนเพื่อนรมาชิกทุกท่านะจะเดินในธรรมแม่ชีแล้วก็ยติธรรมทุกคนเมื่อสองสมวันก่อนในตอนพรยสา ร, เ, ารเคยเคยกล่าวไว้อยู่ท่อนหนึ่งน ะ, ะท่านท่านพูดถึง สิ่งที่มักจะเป็นคําถามที่หลายคนก็มักจะถามนะคือการที่เราเกิดมาเพื่ออะไรนะแล้วเกิดมาแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะคําถามนี้บางทีพวกเราอาจจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับที่พวกเราเคยได้ยินกันมาก่อนแต่จริงมันก็มีประเด็นที่ต่างกันนะส่วนใหญ่คนจะถามว่าเราเกิดมาทําไมนะ ส่วนใหญ่คนที่ถามว่าเกิดมาทําไมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้คําตอบนะหรือว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ไปทําไมนะพอมีคําว่าทําไมนี่บางทีมันคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับประชดหรือว่าเหมือนกับไม่รู้ทางออกเหมือนเป็นทางตันเวลาถามว่าทําไมบางทีไม่ค่อยได้คําตอบแต่พระยาย์ท่านพูดอีกในหนึ่งว่าเกิดมาเพื่ออะไรและใช้ชีวิตยอยู่อย่างไร การว่ายู่มันมันเป็นสิ่งที่มันมุ่งเน้นสิ่งที่ต่างกันนะเพื่ออะไรเราก็กลับมาดูว่าเออในเมื่อเราเกิดมาแล้วนะเราจะใช้ชีวิตยอยู่เพื่ออะไรนะมันก็เป็นสิ่งที่เราจะได้คําตอบแต่บางทีเราเกิดมาทําไมนี่บางทีมันมันไม่ค่อยได้คําตอบในส่วนตัวเองก็ก็เคยมีคนถามแบบนี้บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ค่อยไป ไม่ค่อยอยากจะไปเอาอะไรกับคําว่าทําไมมากเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาแล้วเนาะเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรตอนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าเคยมีคนที่มาบวชอยู่ที่นี่เหมือนกันะตอนเขาบวชใหม่ๆเขาก็มาถามเนี้ยมาถามมาถามผมหรือถามอาตมาว่าคนเราเกิดมาทําไมตั้งแต่ตอนบวชใหม่ๆนะได้สักประมาณหนึ่งหนึ่งสัปดาห์มั้งเขาก็ถามตอนนี้ก็พูดไปเท่าที่เราเข้าใจหรือว่า ในความคิดเห็นของเราเขาก็ฟังแล้วก็พิจารณาไปพอเขาบวชได้สักประมาณปีหนึ่งมั้งหรือว่าเกือบเกือบปีพนะอเขาศึกมาเขาก็กลับมาถามคําถามเดิมนี่แหละนะคนเราเกิดมาทําไมนะเหมือนคล้ายๆหนึ่งปีที่ได้บวชก็ยังตึกตองไม่เข้าใจว่าเกิดมาทําไมนะทําไมล่ะก็เพราะว่า มันมีแต่คําว่าทําไมมากเกินไปนะมันก็เลยจมกับคําจมกับคําถามของตัวเองนแต่ถ้าเราลองลองข้ามคําถามนี้ดูก็ได้นะในเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่ต้องถามแบบว่าเกิดมาทําไมนะแต่เราอาจน่าจะถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรในเมื่อเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรการเกิดมาเพื่ออะไรก็คือการถามว่าเป้าหมายชีวิตของเราอะ คนจะเป็นอย่างไรใช่ไหมถ้าเรากลับมาถามตัวเองจริงๆว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรก็คือว่ามากําหนดที่เป้าหมายของเราว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรนะถ้ากระแสสังคมส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าเกิดมาเพื่อสแสวงหาความสุขนะแต่ความสุขมันก็มีหลายแบบมากแต่คนส่วนใหญ่มักจะรู้แต่ความสุขที่เรียกว่าเป็น ความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งภายนอกเข้ามาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่หายไปในชีวิตก็ใชมไหมเช่นบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองยังรวยไม่พอก็พยายามสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาเติมเต็มคําว่าไม่พอของเราเองนี่แหละบางคนก็รู้สึกตัวเองยังเก่งไม่พอก็พยายามสแสวงหาความรู้หรือว่าหาการยอมรับจากคนอื่นว่าเราเก่งน ะ, นะ บางคนก็รู้สึกว่าเรามีชื่อเสียงไม่พอก็พยายามสแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าบางคนก็คิดว่าเรามีอํานาจไม่พอนะมีบารมีไม่พอมีบริวารไม่พอก็พยายามสแสวงหาจะเห็นไหว่าคําว่าไม่พอในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ไม่รู้จักพอนะในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็ยพยายามสแสวงหาเข้ามาเรื่อยๆนะแต่จริง คำว่าสแสวงหาเข้ามาเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ผิดเสียทีเดียวหรอกแต่ตัวที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่เต็มไม่พอมันเหมือนก็คือว่าใจเราแหละที่ไม่รู้จักมีความสุขในขณะที่เรามีอยู่นะเราก็คิดที่จะสแสวงหามากขึ้นไปเรื่อยๆคล้ายๆถ้าเราลองจินตนาการดูเหมือนกับคล้ายๆแก้วน้ํานะแก้วน้ําที่มันมีรอยร้าวหรือว่าก้นมันรั่วก็ดีนะ มันเติมน้ําลงไปสักเท่าไหรนะ่เนาะมันก็รั่วทิ้งลงไปตรงรอยรั่วหรือว่าตรงที่รูอยู่เสมอนะคนส่วนใหญ่นะมักจะเป็นแบบเนี้ยทําตัวเหมือนกับอ่าแก้วน้ําที่มันมีรอยรั่วอยู่จะเติมความสุขเข้าไปในชีวิตนะเติมเงินเข้าไปในชีวิตเติมคนรักเข้าไปในชีวิตเติมชื่อเสียงเกียรติยศเข้าไปในชีวิตเติมเท่าไหร่กับ ไม่รู้สึกพอทัก ท, ทีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังขาดอยู่มันยังไม่เต็มอยู่มันยังเรียกว่ายังพ่องอยู่อ่าอันเนี้ยเราถือแก้วน้ําใบหนึ่งเป็นแบบนี้นะใบหนึ่งใบที่มันด้วด้วะ่าเนะติมพยายามหาสิ่งต่างๆเข้ามาที่เดีวคิดว่านจะเป็นความสุขอ่าคิดว่ามันจะทําให้เรารู้จั ก, จกพอใจในชีวิตเสียทีก็เติมเข้ามาเรื่อยๆแต่มันก็ไม่พอทักทีแต่คนบางคนก็ ถือแก้วน้ำอีกใบหนึ่งเหมือนกันนะแต่อีกใบหนึ่งเนี่ยนกะ้นปิดสนิทนะน้าก็เต็มนะอาจจะเต็มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะไม่เต็มก็ได้แต่ปิดฝาไว้อยู่เสมอนะปิดฝาไว้นะไม่ยอมเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเลยนะนะก็คืออาจจะมาก็สังเกตบางทีหลายคนนะบางคนมักจะแนะนำให้เด็กแนะนำให้ลูกหรือว่าแนะนำให้นักเรียน มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมแต่ตัวเองนี่เป็นนั่งคุยกันเป็นนั่งสนทนากันไม่ยอมมาเรียนรู้ธรรมะด้วยบางทีผู้ใหญ่มกักจะเป็นแบบนี้นะผู้ใหญ่บางคนไม่ใช่ทุกคนนะถือแก้วน้าอยู่ใบหนึ่งก็คือเต็มแล้ะนะพอมาวัดก็ไม่สนใจละฉันขอแค่มาทําบุญก็พอฉันขอแค่มาส่งลูกส่งดานส่งอ่ส่งลูกน้องหรือส่งนักเรียนเข้ามาในวัดแค่นี้ก็พอละไม่ต้องเรียนรู้อะไรเรารู้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่เยอะก็ไม่ยอมเรียกว่ารับธรรมะเข้ามาในชีวิตไม่ยอมเรียนรู้นะหรือไม่ยอมฝึกหัดปฏิบัตินะอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆคนส่วนใหญ่นะบางคนคล้ายๆในทางธรรมเนี่ยนะไม่ยอมรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเลยนะคิดว่าตัวเองรู้ดีแล้วนะหรือคิดว่าตัวเองพอแล้วหรือบางทีอาจจะคิดว่าพระอาจจะรู้ไม่ดีเท่าเราก็ได้นะก็ไม่ยอมเรียนรู้ถือแก้วน้ําที่มันเต็ม หรือว่าปิดปิดการรับรู้ในทางจิตใจในทางที่จะสแสวงหาชีวิตให้มันมีความสุขจริงๆิงยิ่งขึ้นไปนะแต่ถ้าในทางโลกนี่ไม่รู้จะพอเลยนะเอาก็มาทุกอย่างที่มันจะคิดว่าจะมีความสุขนะคล้ายๆอันนี้เปรียบแบบแบบยามาเนาะเหมือนในทางทำในทางนั่นจิตใจนี่บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากรับรู้ละนะ คิดว่าตัวเองไม่จําเป็นแล้วแต่ในทางโลกกับขนควายกับสแสวงหาหรือว่าเมื่อได้มาเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันพ่องหรือว่ามไม่พอสักทีคนส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนั้นนะแต่ก็คิดว่าคนในที่นี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้นนะคิดว่าพวกพวกเราส่วนใหญ่ก็คือส่วนหนึ่งก็รู้จักพอใจในชีวิตที่พวกเรามีอยู่ในระดับหนึ่ง บางคนก็พอแล้วกับหน้าที่การงานบางคนก็พอแล้วกับการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะรู้จักพอใจละนะบางคนก็รู้อยู่ว่าวันความพ้องนั้นมันเกิดจากการที่เราไม่เรียนรู้ธรรมะหรือว่ า, าในนั้นจิตใจเราพ่องเองไม่ใช่พ่องเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีบ้านไม่มีช่องมันไม่ใช่นะแต่เรารูแล้วว่าเออทรัพย์สินภายนอกมันไม่สามารถเติมเต็มความสุขของเราได้จริงๆหรอก ต่อเมื่อเราเข้ามาเรียนรู้จาักกายแล้วก็ใจของเราจริงๆแหละตอนนั้น่ะมันถึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงดังนั้นการที่ถ้าเรามากําหนดที่เป้าหมายของชีวิตเราจริงๆว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรนะมันจะกลับมาถามตัวเองแล้วก็จะได้คําตอบกับตัวเองว่าเออเราจะเกิดมาเพื่อสแสวงหาความสุขแบบความสุขภายนอกแค่นั้นเหรอสแสวงหาแค่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกีดยรติยศแค่นั้นเหรอ ตายไปมีใครเอาอะไรไปได้หรือเปล่าเราก็เห็นเนาะคนตายก็หลายคนเงินทองเลือกสวนไดนาลูกหลานญาติมิตรเขาก็ไม่สามารถเอาไปได้นะไม่สามารถตามไปกับคนที่ตายได้จริงๆตายไปก็ไปแต่ตัวของเราคนเดียวนะไปแต่ตัวเปล่าๆคนเดียวอันนี้เราก็เห็นวนะ่าที่จริงถ้าเราดูดีเนาะที่จริงธรรมะก็สอนเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะ คนเป็นก็สอนเราหลายคนคนตายก็สอนเราหลายคนว่ามันไม่สามารถเอาอะไรไปได้จริงๆหรอกนะถ้าเรามาเห็นว่าอ้อที่จริงหลายๆคนที่สแสวงหาหรือว่าดิ้นรนทรัพย์สินภายนอกหรือชื่อเสียงกิจวัตรภายนอกนี่มันไม่สามารถเอาไปได้จริงๆหรอกนะแต่สิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราควรจ ะ, นะสะแสวงหาหรือว่าที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราจริงๆมันคืออะไรนะ หมายว่าตรงนี้เราต้องกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่นามาซึ่งความสุขของชีวิตจริงๆนะพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้สึ้งความสุขมันมีสองประเภทความสุขประเภทหนึ่งคือความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นนะจึงเกิดความสุขนะเช่นได้ยินเสียงเพราะๆก็เคยเกิดความสุขได้เห็นภาพสวยๆก็เกิดความสุข อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าอากาศดีนะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปวิวทัศน์สวยงามก็เกิดความสุขอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเนาะอันนี้คือความสุขที่เกิดจากการได้วัตถุภายนอกนะก็เกิดเป็นความสุขได้ซึ่งถ้ามันได้มาโดยชอบทำเราก็ไม่ปฏิเสธนะนะล้วก็เรียกว่าสัมผัสกับความสุขนั้นได้นะ แต่ครนี้มันมีความสุขอีประเภทหนึ่งคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขก็คือมีความสุขจากการที่เรียกว่ามีความสงบในจิตใจนะมีความสุขจากการที่เรียกว่ารู้ทันจิตใจของเราแล้วก็เป็นนายเหนือความคิดนะ ไม่เป็นธาตุกับความคิดคือเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้เท่าทันร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองแล้วก็ไม่ตกเป็นธาตุไม่ตกอยู่ในความครอบงามของกายแล้วก็ของใจของเราเองนะเป็นอิสระเหนือเหนือการปรุงแต่งของจิตนะเหนือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอันนี้เป็นความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขจากการที่จิตใจมีความสงบมีความตั้งมั่นก็ได้ หรือเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ทันอารมณ์ความคิดที่มันปรุงแต่งจิตแล้วเราก็ไม่เข้าไปเป็นกับความคิดในการปรุงแต่งนั้นอันนี้เป็นความสุขที่เรียกว่ามันปานีกว่ากันเยอะเป็นความสุขที่เราควรจะสแสวงหาเพราะว่าเป็นชีวิตของเราเกิดมาแล้วอย่างที่พูดเมื่อกี้ทรัพย์สินภายนอกเราไม่สามารถเอาไปได้เลยนะแต่เรื่องความสุขตัวเนี้เรื่องความสุขในด้านจิตใจเนี่ย เราสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันทันทีนะแล้วก็มันจะส่งผลให้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าหรือว่าอาจจะเป็นพบหน้าก็ได้ถ้าเรายังไม่จบันนะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเรียกว่าพบความสุขได้ง่ายขึ้นนะเงินทองเราไม่สามารถเอาข้ามพบข้ามชาติได้นะแต่บุญกุศลหรือว่าปัญญาที่เราสะสมแล้วเนี่ยมันสามารถข้ามไปได้นะข้ามพบข้ามชาติไปได้แต่มันอาจจะไม่ใช่ข้าม ในสถานะเหมือนคล้ายๆแล้วก็คงไม่คิดว่าเหมือนวัตถุนะจิตใจมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุที่มันจะเหมือนคล้ายๆวิญญาณที่ออกจากร่างนี้ก็เข้าไปสู่อีกร่างหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เช่นนั้นแต่มันคล้ายๆกับเหมือนกับเหมันกับลูกไม้เนาะลูกไม้จากต้นแม่เช่นลูกใยก็ดีเนาะมันเกิดขึ้นมาก็มีมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาลูกใมันไปเกิดอีกที่หนึ่งนะ มันก็เกิดเป็นต้นไซใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึง่งมันเป็นการสืบต่อมันเป็นการต่อเนื่องกันกันแบบนั้นนะถ้าเราเห็นว่าที่จริงชีวิตเราที่มันผ่านมาลนะอ่าไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันก็สืบเนื่องต่อกันไปนแบบนั้นแหละนะถ้าชีวิตในอดีตเราไม่เคยมีการฟังเทศฟังธรรมหรือการรักษาศรรีลหรือการทําทานบ้างนะในชาตินี้เราก็ยากที่เราจะได้เกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนา หรือได้ยากที่จะมีโอกาสมาฟังธรรมนะอันนั้นที่จริงผลกรรมในอดีตเราทํามามันดีอยู่พอสมควรในระดับหนึ่งแล้วแหละนะทําให้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาทําให้เราได้มีโอกาสมาฟังธรรมทาให้เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนั้นนั้นะการที่เราเกิดมาในชาตินี้ก็เหมือนกับการมาต่อยอดสิ่งที่เราเคยทําดีมาอยู่แล้วหรือสิ่งที่เราเคยรู้มาอยู่แล้วแหะเหมือนมาต่อยอดให้มันจบสักทีนะ ชีวิตนี้ถ้าเราดูดีๆเนาะมันมีแต่ความทุกขนะ์อยู่ทุกขณะกายก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่เสมอนะมันนั่งนานๆมันก็ทุกขนะ์หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันก็ทุกข์เราว่าเรากินมันมีความสุขแต่กินมากๆ ม, มันก็เกิดกลายเป็นความทุกขนะ์หรือเราว่าคิดว่าเรานอนแล้วมันสบายลองนอนเกินแปดเก้าชั่วโมงดีสิ มันสบายไหมมันก็ทุกนะอเรานั่งรถคันไหนที่เราคิดว่ามันนั่งเบาะหน้ามันนิ่มสบายจริงๆนั่งไปไม่เกินสองสามชั่วโมงมันก็ทุกข์แล้วนะแต่จริงมันก็เริ่มทุกข์ตั้งแต่มันต้องขยับเขยื่อนนเขยื้อนตัวมันก็แก้ทุกข์ท่านั้นแหละที่จริงถ้าเราสังเกตโดยดีนะกายนี้แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่อยู่ชัดมากนะไม่ต้องรอว่ามันทุกข์จนกทั่งมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันถึง จะทุกข์จริงๆนะที่จริงแค่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็แก้ทุกข์แล้วที่จริงตาก็เหมือนกันนะตามันก็กระพริบวินาทีเอานาทีนึงก็กระพริบตั้งหลายครั้งมันแก้ทุกข์ถ้าตาไม่กระพริบนี่มันก็ทุกข์นะมันจ้องมันเพ่งนะกายก็เหมือนกันมันจะนั่งนิ่งๆแข็งๆเฉยๆมันก็ไม่ได้มันก็คยจับกระเยื้อนของมันมันกเพื่อแก้ทุกข์ถ้าเราดูดีๆนะ มันมีแต่ก้อนทุกข์ที่ที่ตั้งอยู่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะหรือถ้าจะดูจริงๆจิตใจเราก็ทุกข์เช่นเดียวกันจิตใจมันทุกข์เพราะอะไรนะมันทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงนะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะมันมีทุกข์ก็คือมันไม่สามารถอยู่ในอาการเดิมได้ตลอดเวลาหลักมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างเราสังเกตเรามาปฏิบัติธรรมเราจะรู้สึกว่า เอ้ hey, ทำไมเราไม่สามารถอ่าจะอยู่นิ่งๆเฉยๆได้ธรรมดาเลือกจิตใจมันกลับไปคิดนึกปรุงแต่งสารพัดมากมายนะเราก็ไม่สามารถห้ามมันได้จิตใจมันเป็นอะไรนะเพราะมันมีความทุกข์มันจะไม่สามารถที่จะคงที่อยู่เสมอได้เราก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะเวลาเราเห็นรูปอะไรเราก็ห้ามใจเราเฉยๆไม่ได้นะเห็นคนเดินผ่านเนะี่ยบางทีตาเราก็ไปมอง ใจเราก็ไปสนใจละนะหรือได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนกร้องหรือได้ยินเสียงคนคุยกันใจเราก็จะไปสนใจเสียงนั้นนะจิตเราก็หวันไหวไปละเราก็จะเห็นนะว่าที่จริงพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับได้เลยนะมันเปลี่ยนไปของมันเองคือมาแสดงอาการความทุกข์แล้วก็อาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปของมันเองโดยเหตุโดยปัจจัยนะนะ แต่พูดในเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะให้เราปล่อยให้เป็นตามยถ า, ากรรมเช่นนั้นตลอดไปนะแต่การที่เรามาฝึกตรงนี้ก็คือฝึกเพื่อให้เรียนรู้ความจริงว่าความจริงมันเป็นเช่นนั้นแหละนะถ้าไม่สามารถบังคับมันได้หรอกแต่เพียงแต่ ว, ว่าให้เรามีสติที่ออกมาเป็นผู้ดูมันอีกต่างหากนะเรามีสติเป็นผู้ดูดูกายที่มาแสดงความทุกข์อยู่ตัวนี้แหละนะ แยกแยกแยกสติออกมาจากกายนะไม่เอาสติเข้าไปเพ่งจ้องอยู่ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เข้าไปจมดูในความทุกข์นะเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นผู้ทุกข์เหมือนกับคนที่มักจะเปรียบเทียบ ว, ว่าเหมือนปลามันอยู่ในน้ำเนาะมันไม่เห็นน้ํานกอยู่บนฟ้ามันก็ไม่เห็นฟ้าไส้เดือนอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินตาบใดที่เราจมอยู่กับความทุกข์ เราก็จะไม่เห็นความทุกข์จริงๆนะเราต้องมีสติออกมาเป็นผู้ดูมันนะเรามีสติออกมาเป็นผู้ดูกายจริงๆถ้าเราเอาสติเข้าไปแนบอยู่กับกายนะเราก็จะไม่เห็นกายนะคล้ายๆเอาง่ายๆทวัตถาเราเอามือเอาตาของเรานะไปเพ่งดูอะไรสักอย่างใกล้ๆนะไปดูแบบแนบเลยนะเช่จนจะดูมือดูใกล้ๆไปเลยแบบนี้น นะตาเราก็จะไม่เห็นมือจริงๆหรอกเพราะว่ามันจะเห็นไม่ชัดนะหรือว่าเห็นแล้วก็เรียกว่าเห็นไม่ทั่วอันนั้นการที่เรามีสติดูกายนะแล้วก็คือว่ากายมันก็อยู่ต่างหากนะเห็นกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนสติเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูดูกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยอย่ทําอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ดูกายมันเคลื่อนไหวในเรียบทหลักนะยืนเดินนั่งนอน หรือว่าคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็สังเกตกายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะอย่าไปเพ่งไปจ้องอยู่ที่แค่ฝ่าเท้าหรือแค่ว่าที่มือที่ยกไปหรือลมหายใจที่เข้าที่ออกเท่านั้นเราต้องดูกายที่เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือการรู้กายทั้งกายนะที่มันทำงานของมันไปนะเป็นเพียงแค่ผู้ดูนะแต่บางทีมันก็มีความเด่นนะเด่นที่การยกมือ เด่นที่การสัมผัสพื้นเด่นที่การหายใจอันนั้นก็เป็นตัวเด่นนะแต่ให้เราดูรู้สึกตัวเท่าพร้อมมันจะรู้ทั้งกายนะรู้กายทั้งกายในขนาดเดียวกันแต่มันมีความชัดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอนนันก็เป็นข้อปลียกย่อยไปนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าเพ่งกายทั้งกายนะการรู้สึกตัวทั่าพร้อมเนี่ยทําแบบสบายๆรู้แบบแค่แบบแตะหนักรู้ว่ากายเนี่ยมันทำอะไรอยู่นะ ไม่ถึงขณะต้องเพง่งต้องจ้องต้องบังคับให้มันต้องแบบรู้แบบนี้ตลอดไปนะบางทีมันรู้ไม่ทั่วพร้อมก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราทําใจสบายๆนะรู้แบบเล่นๆนะรู้แบบเล่นหมายถึงว่าจิตใจเราผ่อนคลายจิตใจเราเรียกว่าไม่ถึงไม่เครียดถ้าจิตใจเราผ่อนคลายไม่ถึงไม่เครียดแต่ก็ไม่หลงดื้อสติไปนะจิตมันจะรู้ของมันเอง โดยธรรมดาเพราะว่าใดเพราะว่ากายเหมือนก็มีอยู่จริงของมันนะมันไม่ได้หายไปจากโลกนี้เลยมันมีอยู่จริงอยู่แล้วแค่เรากลับมารู้เฉยๆว่ากายมันทําอะไรเนี่ยมันจะเห็นเด่นชัดเลยนะเหมือนอย่างที่พระเจ้าทัานบอกว่าธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยเหมือนกับเปิดของที่มันเปิดของที่มันปิดอยู่นะคือจริงแค่เปิดออกนะมันก็เห็นละนะ หรือว่างายของที่มันคว่ำนะคือมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเปิดออกมาให้มันเห็นความจริงเท่านั้นนะทำไมเขาถึงพูดคนที่บรรลุธรรมว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะที่จริงดวงตา ท, ที่จริงธรร ม, มะมันก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่มีดวงตาเข้าไปเห็นมันเท่านั้นเองที่จริงธรร ม, มะก็เช่นเดียวกันมาแสดงธรรมชาติหรือแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ลืมตาดูเขาจริงๆนะดวงตาก็เลยไม่เห็นธรรมนะคล้ายๆกับดวงตาของเราและนะถ้าเราหลับตามันก็ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าตาในของเราก็เหมือนกันธรรมะนะถ้าเราไม่ลืมออกมาดูมันก็จะไม่เห็นธรรมะแต่จริงธรรมะมันมีอยู่ตลอดเวลานะนั้นเครื่องมืออะไรที่จะทำให้เราสามารถเห็นธรรมะหรือว่าเห็นความจริงได้ ก็เนี่ยแหละที่เราฝึกกันก็คือฝึกให้เกิดสตินะเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะเมื่อเราเกิดสติสมาธิปัญญานะมันจะเห็นความจริงของกายที่แสดงอยู่ mm. เห็นความจริงของใจที่แสดงอยู่เสมอเนะี่ยเราก็แค่เห็นความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงนะแล้วก็ไม่ไปยึดไปถืออะไรกับความจริงนั้นๆนะแค่เห็นเขาแล้วก็ยอมรับว่าเขาเกิดขึ้น เขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไฟของมันก็ เ, เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยไปเสมอจิตใจที่เห็นสภาวะตัวนี้ได้บ่อยๆนะจิตใจมันจะเกิดการปล่อยวางนะกับอาการต่างๆโดยเฉพาะสิ่งนี้เรายึดถือมากที่สุดคือกายของเราเนี่แหละนะกายของเรานี่แหละเรายึดถือมากนะอีกอย่างหนึ่งที่เรายึดถือมากอีกก็คือจิตใจเนี่แหละนะบางคนกายก็พอจะปล่อยวางได้แล้ว แต่เขาพยายามบังคับจิตใจนะบางคนปฏิบัติไปแล้วมันมีความสุขมีความสบายเราก็อยากจะให้มันมีความสุขความสบายอยู่เสมออันนี้คือการที่เราลงไปบังคับเขาแล้วนะจิตใจมันไม่สามารถบังคับได้นะแต่พิณว่ามันฝึกฝนได้นะคล้ายๆเหมือนกับเด็กโยมนะเด็กหรือว่าลูกหรือว่านักเรียนก็ดีนะเขาก็ไม่ใช่เรานะแต่จะบอกว่าให้เขาปล่อย เป็นเรื่องของเขาเองเขารับกรรมของเขาเองเขาโตของเขาเองไม่ต้องฝึกไม่ต้องสอนเขาเองมันก็ไม่ใช่นะเด็กก็เหมือนกับจิตใจของเรานี่แหละนะแม้เขาไม่ใช่เราแต่ก็สามารถที่จะฝึกฝนให้เป็นในทางที่ถูกในทางที่ควรได้ฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่จาเป็นมากแม้เราจะมาเรียนรู้ธรรมะเพื่อจะได้เลิกการยึดถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเรา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการที่เราได้มีชีวิตอยู่นะก็มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเรียนรู้ความจริงตรงนี้แหละว่ากายนี้ใจเนี้ยไม่ใช่ของเราวิธีการที่จะเรียนรู้ก็คือการมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าเนี่ยให้มาเห็นให้มันมีสติให้รู้ว่ากายมันแสดงสภาวะเช่นไรใจมันแสดงสภาวะเช่นไรเราก็แค่ดูแค่เห็นมันไปเรื่อยๆนะมีสติคอยดูมันจะอยู่เสมอนะ ดูแล้วเขาไม่เข้าไปเป็นกับมันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไรที่เผลอเข้าไปเป็นเผลอเข้าไปยึดก็ก็กแค่ออกมาดูมันใหม่เนาะไม่เป็นไรบางทีไอ้ความคิดความโกรงมันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอเราก็เพียงแค่รู้ทันมันแล้วก็ออกมารู้ทันมันแล้วก็ออกมามาตั้งหลักเป็นผู้ดูใหม่อยู่เสมอก็แค่นี้แหละนะไม่ได้ทําอะไรมากกว่า น, นี้แหละนะแต่เพียงแต่ต้องรู้แบบรู้แบบเล่นๆนะถ้าเรารู้แบบเล่นๆนะมันจะรู้จริงนะ เพราะอะไรจิตที่มันเกิดความเบาเกิดความสบายเนี่ยมันจะเกิดความผ่อนคลายเมื่อเกิดความผ่อนคลายแล้วมันจะรู้ได้ง่ายรู้ได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเมื่อไใ่ที่เราเอาจริงเอาจังเคร่งเครียดหรือว่าค่าเข่งเกินไปเนาะจิตมันจะแข็งมันจะมันจะกระด้างหรือมันมีความอยากเข้าไปเจือมากๆนะมันจะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากเอาเมื่อเรามันมีความอยากมากๆจิตมันก็จะเกิดเรียกว่าเกิดความทุกข์ เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่จริงการปฏิบัติธรรมนะที่จริงมันคล้ายๆนะคล้ายๆเหมือนกับเวลาเรามีท่อนไม้ก็ดีเนาะท่อนไม้สักท่อนหนึ่งแล้วก็มีมีการเอามาแกะเป็นพระพุทธรูปนะมันก็เพียงแค่เฉือนเศษไม้ในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะค่อยๆสกัดออกไปค่อยๆต่อกออกไปค่อยๆเหลา ค่อยๆเกลาวมาเรื่อยๆนะท่อนไม้ที่เป็นท่อนไม้เฉยๆนะแทนที่จะเป็นท่อนเฟืนช่างที่เขาแกะพระพุทธรูปได้เขาก็แกะกลายเป็นพระพุทธรูปไม้ได้สวยงามอันนี้ก็เหมือนกันนะจิตใจของเราจริงพ ร, ระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเหมือนกับคล้ายเฉือนส่วนที่เป็นขี้ริ้วออกไปจากจิตใจส่วนที่ขี้ริ้วคืออะไรก็คือกิเลสนะก็คือตัณหาเนี่ยแหละพอเฉือนออกไปจากจิตใจเนาะ เมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็แค่เฉือนมันออกไปเกิดความโลภล้วก็เฉือนมันออกไปเกิดความหลงเกิดขึ้นมาก็เฉือนออกไปเฉือนโดยวิธีไหนไม่ใช่เฉือนโดยการที่จะไปกดข่มบังคับเข้าไว้แต่เฉือนโดยการมีสติรู้เท่าทันว่าเออความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะความโลภเกิดขึ้นแล้วนะความหลงเกิดขึ้นแล้วนะหรือว่าความรักคิดความไม่ได้ตั้งใจคิดมันเกิดขึ้นแล้วนะเราแค่รู้ทันนี่แหละมันเหมือนกับเฉือนละนะ เฉือเสียงสิ่งที่เป็นขี้ริ้วออกไปจากจิตใจแล้วเหมือนกับเราแกะเศษไม้ที่มันไม่ต้องการออกไปละนะก็เหลือเพียงแต่นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นทางที่ดีนะสิ่งที่เป็นทางที่สวยงามหรือสิ่งที่เกิดประโยชน์จริงๆนะแต่จริงถึงสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้ในบทหนึ่งนะท่านบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ในเมื่อนะไม่แต่อกุลิลเราก็เฉือนออกไปหมดแล้วสิ่งที่เป็นกุศลนะก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเช่นกันนะจะเป็นความสุขจะเป็นความสบายนะจะเป็นความสงบก็ดีเราก็ไม่เข้าไปยึดมันว่าเป็นของเราเช่นเดียวกันนะนะเราก็แค่รู้ทันว่ามันสงบมันสบายมันมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆนะ มันเหมือนมี ม, ม, ม, มีนิทานเ็นอยู่ตอนหนึ่งนะนิทานเ็นเขาก็ไม่ใช่นิทานหลักเป็นเรื่องจริงนะก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีพระพุทธรูปไม้นะมีพระพุทธรูปไม้ทึ่แกะสลักสวยงามนะก็มีพระเซนท่านก็ถือพระพุทธรูปไม้นะไปบูชาอยู่ในถ้ำนะก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้าเพลินว่าในช่วงที่หน้าหนาวมากนะ ในฤ ด, ดูหนาวมันหนาวมากจริงๆนะวิธีการที่จะทำให้เกิดความหนาวมันก็ไม่สามารถจะเพียงพอนะผ้าห่มไม่พออ่านะจีวรที่จะนุ่งห่มมันไม่พอเขาใช้วิธีไหนนะเขาก็เผาเพวกพุธรูปไม้เพื่อมาเรียกว่ามาผิงไฟแก้หนาวเราว่าเขาเป็นคนบาปหรือเปล่านะบางทีมันก็ไม่ใช่นะใช่ไหมแต่บางคนถ้าไปยึดถือนะ เออหนาวตายก็ไม่เป็นไรนะแต่นี้เขาเขาถือพระพุทธรูปแบบมีปัญญานะก็คือว่าพระพุทธรูปก็ทําจากไม้ชีวิตของเราตอนนี้มันมันจะตายแน่ถ้าไม่มีความร้อนเข้ามาไม่มีความอบอุ่นเข้ามาสู่ร่างกายนะก็เห็นว่าพระพุทธรูปนั้นก็เป็นเพียงแค่ไม้เราก็อาศัยไม้นั้นมาเผานะเพื่อให้เกิดความร้อนเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนะการมีพระพุทธรูปตอนที่ ไม่เกิดความหนาวมากๆเขาก็เคารพเขาก็บูชาเขาก็กราบไหว้เขาก็ระลึกในทางที่ดีอยู่แต่ถ้าเกิดข่าวจำเป็นจริงๆก็สามารถเอาไม้ตันนั้นพระพุทธรูปตัว น, นั้นมาเผาเพื่อเกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายได้เช่นเดียวกันดังนันนะ้นนี้ก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมนะแม้บางทีนะสิ่งที่เราเระลึกนึกถึงมันเป็นสิ่งที่ดีก็ตามนะ แต่เราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยึดไม่ถือตะพึดตะพือไปก็ไม่ใช่นะเกิดจากการที่เรารู้ทันว่านะอะไรคือเหตุที่เกิดความทุกข์แล้วเราก็ละมันไปเสียนะอะไรที่จะทำให้เราเนิ่นช้าเราก็ละมันไปเสียอะไรที่ยังไม่ใช่ถึงมรรคผลนิพพานเราก็ค่อยๆละมันไปเสียละไปเรื่อยๆนะบางคนเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนแค่เรื่อง ศีล ส, สมาธิปัญญาแต่จริงมันยังไม่จบแค่นั้นนะท่านสอนถึงความบิมุตติพุทโธด้วยก็คือการปล่อยวางแม้แต่ศีลเองก็ดีท่านก็ไม่ได้ให้ไปยึดถือจนทั่งเกิดเป็นสินพัตตรปรา r a m แม้แต่สมาธิเองก็ดีท่านก็ไม่ให้ยึดถือความสงบหรือความสุขให้พอใจแค่ความสุขความสงบเมื่อนั้นก็ติดแค่เรียกว่าไปสู่ผมโรคเท่านั้นหรือแม้แต่ตัวปัญญาเองก็ดีนะ ปัญญาคือการรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติเองก็ดีพระองค์ท่านก็ตัดไว้ถึงที่สุดแล้วปัญญาก็ยังไม่ใช่บีมุติของเรานะปัญญาเพียงแค่เป็นแเพียงแค่ความรู้ความเข้าใจตนตนเองจริงๆแต่ถึงที่สุดแล้วท่านก็ให้ปล่อยวางตรงนั้นไปด้วยก็คือการไม่ยึดถือในตัวปัญญาคือตัววีมุตติตอนนี้คือถึงจะเป็นที่สุดของกองทุกข์จริงๆเนาะก็คิดว่าพวกเราก็คงรับฟังไปแล้วก็ ค่อยๆไปปฏิบัติเอาเนาะเพราะว่าสิ่งที่เกิดจากการฟังจากพระหรือว่าเกิดจากการอ่านก็ดีนะมันเป็นเพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นนะเป็นความรู้ที่เกิดจากคำศัว่าสุตตมยปัญญานะหรือการที่เราพิจ า, ารณาค่อคุ้นหรือว่านึกคิดไต่ตรองธรรมะนะมันก็เป็นแค่ความรู้ที่เกิดจากการคิดจินตนาการได้แต่ความรู้ที่ทําให้เราเกิดความเข้าใจความจริงจริงเรียกว่าเป็น ภาวนามยปัญญาก็คือการที่เรียกว่าฝึกหัดจิตใจหรือว่าปฏิบัติธรรมนี่แหละไม่ทําให้เราเข้าใจความจริงได้ดั้นการปฏิบัติธรรมเราก็ทําทั้งการปฏิบัติในรูปแบบตัวนี้แหละนะแล้วก็คอยมีสติและลรู้กายและลรู้ใจตามความเป็นจริงนะแล้วก็คอยมีสติรู้เท่าทันเวลาที่เราจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนอกรูปแบบด้วยนะจะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ํา หรือว่าทาการทำงานหรือว่าพูดคุยกับคนก็ดีเราก็คอยมีสติและลึกรู้ว่ากายเราทำอะไรอยู่ใจมีอาการแบบไหนอยู่ก็แค่ได้ลึกรู้ไปเรื่อยนะคือมีสติรู้ในปัจจุบันขณะอยู่เสมอปัจจุบันขณะอะไรเด่นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราก็คอยได้ลึกรู้อยู่เสมอเป็นเพียงแค่ผู้ดูอาการของกายเขาแสดงเป็นเพียงแค่ผู้ดูอาการของจิตใจเขาแสดงนะเหมือนกับเรามาอยู่ในโลกนี้มาดู ว่าโลกนี้แสดงอะไรนะมาดูว่าชีวิตเนี้ยเขาแสดงอะไรนะเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นผู้ดูว่าชีวิตเนี้ยเขาแสดงอะไรไม่เข้าไปแสดงด้วยนะก็เพียงแค่สังเกตเห็นหรือถ้าแสดงก็รู้ว่าแสดงแบบสมมุตินะมันก็รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องรู้ว่าเป็นสมมุติที่เกี่ยวข้องก็แสดงแบบสมมุติไม่เข้าไปยึดติดกับบทบาทที่เราสมมตินั้นนะเหมือนกำนักแสดง มันไม่ใช่ชีวิตจริงก็เป็นการแค่แสดงขึ้นเฉยๆเนี่ยเราก็มาตั้งมาดูมาเรียนดูว่าอ้อกายเขาแสดงสภาวะเช่นไรให้เราเห็นตั้งแต่เกิดจนทั้งถึงตายจิตใจเขาแสดงสภาวะเช่นไรนะตั้งแต่เช้าจนเย็นจนค่ํานะเขาแสดงแบบนี้อยู่ตลอดไปเราจะเห็นว่าที่จริงโลกนี้ไม่มีอะไรมากนะเป็นเพียงแค่การแสดงนะของขอ ง, 4, ของของธาตุสี่ของคันห้าเท่านั้น พอเราเข้าใจความจริงเนี่ยเราก็จะเกิดการปล่อยวางได้มากขึ้นเนาะก็ก็คงพอสมควรแกเวลานะ